พอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังกะอัตถกถาระสารีบุตรมหาเถระชาวศีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่ยี่สิบห้าอุโปโปสตะปวารนาวินิชยะกถา คถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องอุโบสถและปวารณาในคำว่าอุโบสถและปวารณานี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้จึงอยู่ด้วยอำนาจแห่งวันอุโบสถมีสามคือจจตุดาศีอุโบสถอุโบสถวันที่สิบสี่ค่ำปัณณารบศีอุโบสถอุโบสถวันที่สิบห้าค่สามัคคีอุโบสถอุโบสถที่เกิดจากการแตก ราวกันแล้วก็รวมกันได้ในวันอุโบสถเหล่านั้นจตุตสีอุโบสถมีหกโดยแบ่งเป็นฤดูละสองฤดูละสองครั้งในปักที่สามและปักที่เจ็ด น, นี้จะเป็นจตุตสีอุโบสถแห่งฤดูทั้งสามก็เลยเป็นหกวันคือเห็มมันเะฤดูกิมหะฤดูวัฏสาะรฤดูหนาวร้อนแล้วก็ฝนวันอุโบสถอีก สิบแปดที่เหลือเป็นปัร น, นาราศีอุโบสถในปีหนึ่งจะมียี่สิบสี่อุโบสถ ด, ด้วยการ น, นับอย่างนี้มันก็มีอุโบสถทั้งหมดยี่สิบสี่อุโบสถเพราะว่าปีหนึ่งสิบสองเดือนเดือนหนึ่งมีสองปักปักหนึ่งจะมีการลงอุโบสถครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นก็เป็นยี่สิบสี่ครั้งลงโบสถยี่สิบสี่ครั้งแต่ว่าจะมีอุโบสถวันที่สิบสี่ค่ำเนี่ยหกครั้ง ในสามรดูฤดูละสองครั้งก็คือปักที่สามกับปักที่เจ็ดปักที่สามกับปักที่เจ็ดเพราะว่าฤดูหนึ่งเนี่ยจะมีสี่เดือนก็มีแปดครั้งฤดูหนึ่งมีสี่เดือนมีแป่ครั้งเพราะฉะนั้นปักที่สามก็จะเป็นสิบสี่ข้าและปักที่เจ็ดก็เป็นสิบสี่ข้ามหนึ่งสองกับสี่ห้าหกแปดอันนี้จะเป็นสิบห้าข้าม เพราะนั้นก็เลยเป็นสามประดูเนี่ยก็สิบสี่ข้ามหกวันแล้วก็จะมีสิบห้าข้ามสิบแปดวันสิบแปดครั้งรวมเป็นยี่สิบสี่อุโบสถนี้เป็นจารีดเป็นปกติกรแต่เมื่อมีเหตุอันสมควรเห็นปานนั้นจะทำอุโบสถในวันสิบสี่ข้ามแม้อื่นก็ควรแม้วันปิดนานก็มีสามเหล่านี้คือ สำหรับพิสูตผู้จำรรษาต้นวันเพนแห่งเดือนกติกาต้นคือทิพห้าค่ำเนี่นะเป็นวันปรณนาของพวกเธอนั่นแลถ้าพิสูตเหล่านั้นถูกพิสูตผู้ก่อความบาดหมางการเบียดเบียนเอาจะเลื่อนวันปรณนาออกไปก็ได้เมื่อเลื่อนวันปรณนาออกไปแล้ววันปรณนาก็จะเป็นวันสิบสี่ค่ำในการละปักแห่งเดือนกติกาต้นหรือวันเพนแห่งเดือนกติกาหลัง ก็จะเป็นสิบสี่ค่ำก็ได้ในการละตะเดือนกติกาต้นหรือว่าวันเพนคือสิบห้าค่ำเดือนกติกาหลังก็ได้สามารถเดือนปรวรนาได้แต่สําหรับที่ตู่พู้จําภาษาหลังวันภรวนาเป็นวันเพนแห่งวันกติกาหลังแน่นอนก็คือเพนเดือนสิบสองนี้เป็นจารีตตามปกติเหมือนกันเมื่อมีเหตุอันสมควรเห็นปานนั้นจะทำภาวนาแม้ในวันสิบสี่ค่ำข้างต้น แห่งวันเพ็ญของเดือนกัตถิกาทั้งสองก็ควรมันเหตุอันสมควรนี้ก็คือมีฟุกสุผู้จะก่อความบาดหมางก่อการแตกร้างมาก็สามารถที่จะเลื่อนอุโบสถหรือว่าเลื่อนปรณาได้เหมือนกันในการายเมื่อสงแตกกันแล้วโดยในอันมีมาแล้วในโกสัมพิกะขันธ ก, กะเรื่องพระพิสุหรือในทอนธรรม ท, ทรนทะเลกันเรื่องของน้ําที่เหลืออาไว้ในห้องเวชกุดีในห้องท่วมเนี่ยเกิดความแตกร้าวกัน เมื่อเรียกพิจุนั้นเข้าหมู่กันแล้วสงกระทําสังฆสามคัคคีเพื่อรัรบวัตถุนั้นในการนั้นพึงทําอุโบสถในวันนั้นนั่นแลยกเว้นวันสิบสี่คาำหรือวันสิบห้าค่ำวันใดวันหนึ่งแม้อื่นชื่อว่าวันสามัคคีอุโบสถเพราะพระบาลีว่าพึงสวดปาฏิโมกข์แต่สําหรับพิกษุผู้จำํำภรษาต้นในภายในเรือนกติกาวันเช่นนี้นั่นแล ย่อมถือว่าวันสามัคคีและวันปรารนาก็คือเป็นสามัคคีปรารณานั่นเองพึงกระทําอุโบสถในวันทั้งสามเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล้วอนก็อุโบสถมีสามวันก็คือจตุตสีสิบสี่ข้ามปนรารสีสิบห้าข้ามแล้วก็สามัคคีอุโบสถสามวันนะสําหรับปรารนาก็มีสามือนกันก็คือ จตุตัสสีปราณาปันนระสีปราณาแล้วก็สามัคคีปราณาเหมือนกันก็เมื่อจะทําถ้าวันนั้นเป็นวันสิบสี่ข้ามพึงสวดว่าอชุโปสะโธจ่าตุดดาโซถ้าเป็นวันสามคัคคีอุโบสถพึงสวดว่าอัชชุโปสโธสามัคคีแต่ในวันสิบห้าข้ามพึงสวดว่าอัชุโปสะโธปันมาราโซตามในที่มาในพระบาลีนั่นแหล อุโบสถสามอย่างแม้อื่นอีกที่พระองค์ตรัสไว้ด้วยสามารถแห่งการระกับบุคคลคือผู้ที่กระทําอุโบสถอย่างนี้คือสังฆอุโบสถหนึ่งคณะอุโบสถหนึ่งบุคคลอุโบสถหนึ่งก็ด้วยสามารถอาการที่บึงกระทําอุโบสถสามอย่างแม้อื่นอีกคือสุดตุดเทศสุดตุดเทศก็หมายถึงว่าแสดงแบบพิศดาโดยตัวปฏิโมกขอย่างหนึ่ง ปาฤิสุทธิอุโบสถอย่างหนึ่งแล้วก็อธิษฐานอุโบสถอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอุโบสถก็เลยมีเก้าอย่างก็คือนับโดยวันสามอย่างสิบสี่ข้ามสิบห้าข้ามสามคาทีนี่โดยวันถ้าโดยบุคคลผู้ทําโดยผู้กระทําอุโบสถนั้นมีสามอย่างคือสังเข้าโบสถสังข้าโบสถก็หมายถึงพิสุทธั้งหมดในวัดนั้นนะ่ะก็เข้าร่วมในโรงโบสถกระส่วนปฏิโมกขัน แล้วก็คณะอุโบสถก็หมายถึงพระภิกษุสองรูปสามรูปมีสองรูปหรือสามรูปก็แล้วแต่ในวัดนั้นถึงวันอุโบสถไม่ต้องสวดปฏิโมกข์ก็มาแสดงบริจูตกันแล้วก็ถ้าอยู่รูปเดียวก็เรียกว่าปุขคณะอุโบสถบุคคลคนเดียวภิกษุรูปเดียวอธิษฐานเอาก็เรียกว่าปุขคณะอุโบสถอันนี้นับโดยกรกะบุคคลผู้ทําอุโบสถ ส่วนโดยอาการของการกระทําก็แบ่งเป็นสาอย่างเหมือกันก็คือสุดสุดเทศก็หมายถึงสวดปาฏิโมกสวดปาฏิโมกเอาพระสูตรเอาสูตรคือมัตติกาปาฏิโมกที่พระเจ้าแสดงไว้แล้วนี่เอามาสวดกันฟังําหรับสองนะหมู่สงมาทําก็คือทําสุดสุดเทศแต่ถ้าเกิดมีพระพิสูจน์สองรูปหรือสามรูปก็มีการแสดงปาริสุทธิอุโบสถ ไม่ต้องสวรวจปาติโม่เขาแสดงบริจุทธ ต, ต่อกันแต่ถ้าเกิดมีพิสูนรรูปเดียวอธิษฐานอุโบสถก็อธิฐานว่าข้าพเจ้าวันนี้เป็นวันอุโบสถของข้าพเจ้าอันนี้ก็เรียกว่าอธิฐานอุโบสถอุโบสถมีเก้าแบ่เป็นสามอย่างโดยวันโดยผู้ทําแล้วก็โดยอาการที่ทําในบรรดาอุโบสถทั้งสามนั้นปาติโม่ขุเทศที่ท่านกล่าวโดยในายเป็นต้นว่าสุมาตุเมผันเตสังโฆ ชื่อว่าสุดตุดเทศในบรรดาอุโบสถสองอย่างนอกนี้ปึงสร้างปราริสุทธิที่อุโบสถก่อนปราริสุธทธิมีสองอย่างด้วยสามารถแห่งการบอกในสำนักของพิจุเหล่าอื่นและด้วยสามารถแห่งการบอกซึ่งกันและกันปราริสุธทธินี้จะมีสองอย่างคือถ้ามีพระพิจูสองรูปหรือสามรูปนี่บอกกันเองได้แต่ถ้าเกิดพิจุมาจากที่อื่นพิจูอากันตุกะมาจากที่อื่นแล้วก็พิจูในวัดนั้น เขาแสดงสวดปาฏิโมกไปแล้วเรียบร้อยแล้วถ้าเปภิกษุในวัดนั้นมีมากกว่าภิกษุที่น้อยกว่าไปถึงก็ต้องไปแสดงปาฏิสุทธิในหมู่ภิกษุที่ทําปาริโมกไปแล้วแต่ถ้าเกิดภิกษุที่เป็นอคันตุกะมีจํานวนมากกว่าต้องสวดปาฏิโมกใหม่เดี๋ยวดูวรายละเอียดในปาฏิสุทธิอุโบสถนั้นแม้ปาฏิสุทธิอุโบสถที่ทําในสํานักของภิกษุลาอื่น ก็มีสองอย่างด้วยสามารถแห่งการทำในสานักของพิสูุผู้ปรวาณาแล้วและในสานักของพิสูุผู้ยังไม่ได้ปรวาณาในปาริสุที่อุโบสถสองอย่างนั้นพิกษุผู้เข้าพรรษาหลังผู้ไม่ได้เข้าปรรษาหรือพิสษุผู้มีพรรษาขาให้กายะสามวิถีแล้วพึงกระทาอุโบสถกล่าวสามครั้งว่า ปาริสุทโธอหังพันเตปาริสุทโธติมังธาเบธาในสำนักของพิกจุทั้งหลายผู้ปรนน่าแล้วในวันมหาปรนน่าอันนี้ก็มีพิกจุสองกลุ่มด้วยตาคือกลุ่มแรกเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษาแรกแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งหรือว่ารูปเดียวก็แล้วแต่ที่เข้าพรรษาหลังจำพรรษาหลังเพราะฉะนั้นในวันมหาปรนน่าเนี่ยในวันออกพรรษา วันมหาปารณาก็าจะทำปรณากันแต่พิษุที่จำพรรษาหลังจะต้องแสดงปาริสุทธิในหมู่พิสุที่ทำปรณากันส่วนพิสุผู้ไม่เข้าพรรษาหรือมีพรรษาคาให้กายะสมะคีแล้วพึงกระทำอุโบสถกล่าวสามครั้งว่าปาริสุทโฑอาหางพันเตปาริสุทโทติมังทารทะในสำนักของพิสุผู้ปรณาแล้วในวันเพนเดือนกติกาหลัง อันเป็นวันครบเดือนที่สี่แห่งฤดูฝนก็คือพอถึงวันปารณาของพิสูุผู้จําัริษาหลังพิสูจนที่เข้าบรรษาแรกหรือว่าผู้ไม่เข้าบรรษาหรือบรรษาขาดไปแล้วแต่ก็ให้กายยตัมคีแล้วก็แสดงปาริสุทธิอุโบสถเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการแสดงปาริสุทธิในหมู่ของพิสูจที่เขาทําปรณากันก็ในการอื่น ยกเว้นวันปรวรนาเสียเมื่อพิกษุผู้เจ้าถิ่นสวดปาธิโมกจบแล้วเมื่อหมู่คณะยังไม่ลุกออกไปก็ตามลุกไปแล้วบางรูปก็ตามลุกออกไปหมดแล้วก็ตามพิกษุอื่นเหล่าใดมีจํานวนเท่าเท่ากันหรือน้อยกว่ามาพิกษุผู้มาใหม่เหล่านั้นต้องบอกบริสุทธิ์ในสำนักของพิสุเจ้าถิ่นเหล่านั้นตามในที่กล่าวแล้วนั่นแหลก็คือปริสุติ ท, ทัวหังพันเตปริสุตรทัติบังคารเเรธา ส่วนปาริสุทธิที่อุโบสถนี้อันภิกจุกระทําด้วยสามารถแห่งการบอกซึ่งกันและกันใดปาริสุธทธิ์ทอุโบสถนั้นก็มีสองอย่างด้วยสามารถแห่งการกระทําการตั้งยติหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องตั้งยติหนึ่งในอุโบสถสองอย่างนั้นในอาวาสใดมีพิจุอยู่ด้วยกันสามรูปเมื่อพิจุเหล่านั้นประชุมกันในวันอุโบสถพิจุผู้ฉราดรูปหนึ่งพึงสวดว่าสุนันตุ เมอยัสมัตาอาชุโปโตจตุเตโซหรือว่าสุนมัตโตเมอยัสมนตาอชุโปโตปนาราโซอันนี้ก็เป็นสิบห้าคำแล้วตั้งยติว่ายาดายัสมนตานังปตะกัลังมายังอัญยะมันยังปาริสุทธิอุปสะทังกะรรยามะ ทิสุผู้เป็นเถระพึงทำผ้าอุตราสงชว่วยงบานั่งกระโยงประคองอัญชรีกลางอย่างนี้สามครั้งว่าปาริสุทธโทอะหังอาโสปาริสุทธโธติมังธาเรทะสามครั้งนะทิสุผู้อ่อนภ ร, รษานอกนี้ก็กล่าวว่าพันเตก็คือปาริสุทธโทอะหังพันเตปาริสุทธโธติมังธาเรทะ สามครั้งเหมือนกันทิสุ พ, พึงตั้งยติแล้วกระทําปริสุทธิอุโบสถอย่างนี้แลส่วนในอาวาสใดทิสุอยู่ด้ดังสองรูปทิสุในอาวาสนั้นไม่ต้องตั้งยติแล้วพึงบอกปริสุทธิโดยในดังกล่าวแล้วนั่นแหลแม้นี้ก็ชื่อว่าปาริสุธิอุโบสถตกลงปริสุทธิอุโบสถมีสองอย่างก็คือบอกในหมู่ของทิกสุอื่นกับบอกกันเอง บอกซึ่งกันและกันกับบอกกับพิสูจอื่นก็คือถ้าเป็นผู้ที่บอกในสำนักความิสูจนเหล่าอื่นก็มีสองอย่างเนี่ยนะคือบอกกันเองกับบอกในพิสูจนเหล่าอื่นมีสองอย่างแต่และอย่างก็แบ่งเป็นสองอย่างด้วยก็คือถ้าบอกในสำนักพิสูจน์เหลาอื่นหมายถึงการกระทาอุโบสถในสำนักความิสูจ์ผู้ปรารถาแล้ว ก็คือไปจำมันษาไม่พร้อมกันพวกหนึ่งจำมันษาแรกอีกพวกหนึ่งจำมันษาหลังเพราะฉะนั้นในเวลาที่ผู้ทจำมันษาแรกปรณนาที่ถูกผู้จำมันษาหลังก็จะต้องไปแสดงปริสุทธิ์เวลาปรณนาของพิสูจน์กลุ่มหลังที่เข้าบรรษาทหลังเขาทำปรนนาระกันพิสูจนที่จำมันษาแรกหรือว่ามรนษาขาดก็แล้วแต่ก็จะต้องไปแสดงปริปร ส, ป ส, ปรสุทสสาาสธิ์เหมือนกันอันนี้เรียกว่าเป็น การทําปริสุดที่อุโบสถในสํานักความพิสูจ์เหล่าอื่นประเภทแรกจะมันสามไม่พร้อมกันกับอีกพวกหนึ่งก็คือมีพิสูจเจ้าถิ่นกับพิสูจนอคันตุกะพิสูจ์เจ้าถิ่นเมื่อถึงวันวันอุโบสถก็ตรวจปริโมงจบแล้วบางพวกก็ลุกไปบางพวกก็ยังไม่ลุกแต่ว่าลุกออกไปหมดแล้วก็ตามแต่ว่ามีพิสูจน์อคันถุกะมาจะมีจํานวนเท่ากันหรือว่าน้อยกว่าก็าตามก็จะต้องไปแสดงบริสุทธิ์กับพิสูุเจ้าถิ่นเหล่านั้น ต้องประชุมกันแหละแล้วก็บอกปริทุถ้าเกิดเป็นพิสูจเจ้าถิ่นน้อยกว่าพิสูจนอาคันุกะมากกว่าอันนี้ต้องสวดปฏิโมกข์ใหม่ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญกับพระวิ น, นัยอันนี้เป็นเรื่องของการทําปาฏิสุทธิในสํานักของพิสูจน์ดาอื่นแต่ว่าถ้าเกิดทํากันเองก็มีสองอย่างเหมือนกันก็คือพิสูจนสามรูปต้องตั้งนติต้ามีปริสุจำมันษา มีพระวิสุที่อยู่ในอาวาสนั้นถึงวันอุโบสถมีอยู่สามรูปก็ตั้งยัติแล้วก็แสดงปริสุทธิ์ซึ่งกันและกันปริสุทธิอุโบสถแต่ถ้าเกิดมีอยู่แค่สองรูปเท่านั้นไม่ต้องตั้งยัติแสดงปริสุทธิอุโบสถเลยอันหนึ่งถ้ามีพิสุทอยู่รูปเดียวพึงทําวัดที่พึงทําก่อนทั้งหมดรู้ว่าพิสุทธิเอาอื่นไม่มาแล้วพึงกล่าวว่าอัชเมอุปสัตโตจตุจตโต หรือว่าอชเมอุโปโสโทปันมะาราโซแล้วกล่าวว่าอธิฐานิบางทีเขาก็กลัาอย่างนี้นะอชะเมอุโปโสโทปันมาราโซติอธิฐานินี้ก็ชื่อว่าอธิฐานอุโบสถพึงทราบอุโบสถสามอย่างด้วยอาการที่ต้องทำด้วยประการชนิดด้วยการพนนาเพียงเท่านี้ย่อมเป็นอันทรงแสดงอุโบสถเก้าประการ ในอุโบสถเก้าอย่างนั้นเมื่ออุโบสถที่ประกอบด้วยลักษณะสามอย่างนี้คือด้วยสามารถแห่งวันเป็นวันปณรสีด้วยสามารถแห่งการรกักา บ, บุคคลเป็นสังข้าอุโบสถ ด, ด้วยสามารถแห่งอาการที่ต้องกระตับทาเป็นสุดจุดเทศเป็นไปอยู่สําหรับพิกษุผู้ไม่ทําอุโบสถแล้วไปอาวาสหรือมิใช่อาวาสอื่นอันไม่มีพิกสุหรือมีพิกสุด้วยพิกสุที่เป็นนานาสังวาสกัน ในวันอุโบสถนั้นเพื่อจะอยู่เว้นไว้แต่ไปกับสง์เว้นไว้แต่มีอันตรายเนี่ยเป็นอบัตทุกกฎนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นวันอุโบสถนี้ท่านห้ามไปไหนห้ามไปที่อื่นยกเว้นไปกับสงรือว่ามีอันตรายถึงจะไปได้แต่ว่าถ้าไม่มีอันตรายก็ต้องอยู่ทำอุโบสถก่อนเมื่อสงประชุมการเพื่อทำอุโบสถทู่ผู้ทำอุโบสถในภายนอกแล้วจึงมาไปสู่ที่ประชุม ไม่ให้กายสามคัคีพึงให้ฉันทะหมายถึงว่าถ้าลงอุโบสถมาแล้วแล้วก็มาจากวัดอื่นแล้วก็มาในวันอุโบสถเนี่ยก็ต้องเข้าไปอยู่ในขณะที่เขาสวดปริโมกข์กั้ทางโบสถก็ต้องให้กายสามคัคคีคือเข้าไปนั่งพัตบาแต่ถ้าไม่ให้ก็ต้องให้ฉันทะต้องให้ฉันทะแม้พิสุใดเป็นไข้หรือต้องขวนขวายในกิจถึงีิสุนั้นเมื่อให้ปาริสุทธิ์ก็ต้องให้ฉันทะด้วย ให้พระราุที่ก็คือเพื่อแสดงทำอุโบสถนั่นเองแล้วก็ต้องให้ฉันทะด้วยไม่เช่นนั้นก็กรรมนั้นก็ไม่สมบูรณ์กรรมนั้นก็เสียได้ถ้าอยู่ในทีมาเดียวกันแล้วไม่ให้ฉันทะมากรรมก็ใช้ไม่ได้ถามว่าให้อย่างไรเพชรตูน้นพึงประกาศให้ทราบเมื่อความนี้ว่าฉันดังดมัมมิฉันดังเมหระฉันดังเมอารโรเจติข้าพเจ้าให้ฉันทะท่านจงนำฉันทะของข้าพเจ้าไป ท่านจงบอกฉันทะของข้าพเจ้าดังนี้ด้วยกายก็ได้ด้วยวาจาก็ได้ด้วยทั้งสองอย่างก็ได้ในสำนักแห่งพิสูุรรูปหนึ่งฉันทะย่อมเป็นอันให้แล้วด้วยอาการอย่างนี้พิสูตรผู้ไม่ได้ลงอุโบสถเพราะอาพาธหรือเพราะขวนขวายในกิจอยู่พึงให้ปาริสุทธิคือถ้าไม่มาลงโบสถไม่มาฟังปานิโมนีก็ต้องแสดงปริสุทธิ์ด้วยเป็นการทําอุโบสถโดยตนเองเพราะว่า ถ้าไม่ทำอุโบสถในวันอุโบสถมีอาบัตทุกกฎการให้ฉันทะเพื่อให้สังฆกรรมนั้นและสังฆกรรมอื่นนี้เป็นไปได้ก็คือไม่เสียกรรมนั่นเองถ้าให้ฉันทะแต่ว่าการทำปาริสุทธ์ีหมายถึงเฉพาะตัวเองก็คือได้ทำอุโบสถไม่อย่างนั้นก็จะมีอาบัตให้อย่างไรพิสุนั้นพึงประกาศให้ทราบเนื้อความนี้ว่าปาริสุทธิงดัมมิปาริสุทธิงเมหระปาริสุทธิงเมอาโรเจหิ ข้าพเจ้าให้ปาริสุทธิท่านจงนำปาริสุทธิของข้าพเจ้าไปท่านจงบอกปาริสุทธิของข้าพเจ้าดังนี้ด้วยกายก็ได้ด้วยวาจาก็ได้ด้วยทั้งสองอย่างก็ได้ในสำนักของพิสุรูปหนึ่งปาริสุทธิย่อมเป็นอันให้แล้วด้วยอาการอย่างนี้อันหนึ่งพิสุเมื่อจะให้ปาริสุทธิก็ควรให้ฉันทะด้วยสมจริงดังคที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่า ดูก่อนพิจูตทั้งหลายเราอนุญาตให้พิกจุผู้ให้ปาริสุทธิ์ต้องให้ฉันทะด้วยในวันอุโบสถวันนั้นกิจที่ควรทําของสงมีอยู่ในการให้ฉันทะปาริสุทธิ์นั้นการให้ปาริสุทธิ์ย่อมให้สําเร็จการทําอุโบสถทั้งของสง์ทั้งของตนหาให้สําเร็จทั้งขกิจที่เหลือไม่ก็คือให้ปาลิสุทธิ์เนี่ยก็เป็นการยินยอมให้สงทําสังฆ ก, กรรมก็คือตรวจปฏิโมก ในวันนั้นแล้วตัวเองก็ได้ทําอุโบสถ ด, ด้วยแต่ว่าถ้าสงจะไปทํากิจที่เหลือคือจะไปอุปสมบทหรือว่าจะไปทําอะไรที่เป็นสังฆกรรมอย่างอื่นอันนี้ไม่สําเร็จเพราะว่าไม่ได้ให้ฉันทะส่วนการให้ฉันทะย่อมให้สําเร็จการทําอุโบสถเฉพาะแก่สงฆ์และให้สําเร็จสังฆกิจที่เหลือด้วยแต่ว่าสําหรับตัวเองเป็นอันยังไม่ได้ทําอุโบสถเพราะฉะนั้นจึงจะต้องให้ทาง ปริสุทธิ์ด้วยแล้วก็ให้ทั้งฉันทะด้วยเพราะฉะนั้นพิษุเมื่อจะให้ปาริสุทธิ์ต้องให้แม้ฉันทะด้วยก็พิกษุรูปเดียวจะนำฉันทะล้วนปริสุทธิ์หรือว่าทั้งฉันทะและปริสุทธิ์นี้ที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นของพิจุแม้หลายรูปก็ควรมันก็นำฉันทะอย่างเดียวก็ได้นำปริสุทธิ์มาก็ได้หรือว่านำทั้งฉันทะและนำปริสุทธิ์มาทั้งคู่ก็ได้ แต่ปกติแล้วก็ต้องให้ทั้งฉันทะและปริสุทธิ์ก็ถ้าว่าพิจุนั้นพบพิจุรูปอื่นในระหว่างทางจะให้ฉันทะและปริสุทธิ์ของพวกพิสุที่ตนรับฉันทะหรือปริสุทธิ์มาและของตนฉันทะและปริสุทธิ์นั้นของเธอเท่านั้นย่อมมาส่วนฉันทะและปริสุทธิ์ของพวกพิจุนอกนี้ย่อมชื่อว่าฉันทะและปริสุทธิ์ดังโซล่าแมว ฉันทะและปริสุทธินั้นย่อมไม่มาเพราะฉะนั้นเธอต้องไปที่ประชุมแล้วบอกเองเลยทีเดียวก็ถ้าว่าเธอแกล้งไม่บอกต้องอาบัตทุกด ก, ก็เมื่อพิสูจนนั้นย่างเข้าหัตถบาศแล้วฉันทะปริสุทธิย่อมเป็นอันมาแล้วมีการฝากฉันทาปริสุทธิไปก็คืออาจจะป่วยหรือว่าอาจจะมีกิจอย่างอื่นสาคัญและไม่สามารถไปลงโบสดได้ ฉะนั้นก็บอกแก่ติสุรูปหนึ่งว่าผมขอมอบฉันท่าไปด้วยนะบอกฉันท่งผมด้ท่ากลางถงด้วยนะแล้วก็ผมก็แสดงปริสุทธิ์ด้วยนําปริสุทธิ์ผมไปด้วยแต่ว่าพิกษุที่รับปางนั้นนไปเจอพิกสุกลางทางอีกรูปหนึ่ง ต, ตัวเองเกิดไม่ว่างอีกจะไปทําทุละพดีก็เลยบอกฉันท่าและปริสุทธิ์ของตนแก่ติกสุรูปนั้นไปแล้วก็บอกฉันท่าปริสุทธิ์ที่รับปากมาจากภิกสุที่ป่วยไข้หรือว่าพิกสุที่มีกิจ องค์กอนนั้นด้วยตกลงแล้วฉันทะปริสุทธิของบุคคลที่รับฝากมาเนี่ยที่ฝากบุคคลอื่นต่อไปเท่านั้นนะที่จะไปสู่ทางกลางสงฆ์แต่ว่าฉันทะและปริสุทธิของผูตุรูปก่อนที่ป่วยหรือว่ามีกิจต่างๆองค์แรกเนี่ยไม่มาด้วยเขาเรียกว่าฉันทะและปริสุทธิ ด, ดังโต้ล่ามแมวนวแล้วก็ถ้าเกิดแกล้งไม่ยอมบอกตัวเองก็มีเลขคืออยากจะให้เขาไม่ทําอุโบสถก็เลยแกล้งไม่บอกแกล้งไม่บอก ก็ต้องอับัตทุกกแต่ว่าถ้าเข้าไปสู่ท่ากลางส่งแล้วคือเข้าหัตถบาสแล้วไม่บอกมีอันบัตทุกกฎแต่ว่าชื่อว่าฉันทัและปริสุทธินั้นนํามาแล้วพระวิตริี่า่าปาริสุทธิามาก็ไม่ต้องอันบัตทุกดเพราะว่าไม่ได้ลงปาลิโมกไม่ได้ทําอุบอสดเพราะว่าถือว่าเป็นอันมาแล้วถ้าเข้าหัตถบาลของสงแล้วนะภิกสุไม่ควรทําสังกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยให้ฉันทคัค้างในเรื่องการให้ฉันทังค้างนี้ มีการค้างถึงสี่อย่างการค้างฉันทะเนี่ยมีสี่อย่างอย่างนี้ก็คือค้างโดยบริษัทหนึ่งค้างโดยราตรีหนึ่งค้างโดยฉันทะหนึ่งแล้วก็ค้างโดยอัธยาศัยห น, ยนึ่งสอย่างโดยบริษัทโดยราตรีโดยฉันทะแล้วก็โดยอัธยาศัยในการให้ฉันทะค้างทั้งสี่อย่างนั้นที่ชื่อว่าค้างโดยบริษัทคือพวกพิกจูกําลังประชุมกันด้วยการนิยกิจบางอย่าง คราวนั้นเมฆฝนตั้งเขาก็ดีถูกเขาทําการขับไล่ก็ดีพวกชาวบ้านพากันมามุงดูก็ดีทิจตุทั้งหลายยังไม่ทันสละฉันทะเลยพากันลุกไปโดยอ้างว่าพวกเราไม่มีโอกาสพวกเราจงไปที่อื่นเถิดนี้ชื่อว่าค้างโดยบริษัทนี่เป็นการค้างโดยบริษัทดังนั้นก็ยังไม่คิดที่จะเลิกการทำสังก ร, รม แต่ว่ามีอันตรายมีชาวบ้านมากันเยอะถูกขับไล่จับพระราชามาก็ดีถือว่าเมฆฝนมาก็ดีทั้งนั้นเลิกกันไปโดยที่ยังไม่ได้คิดจะเลิกทําสังฆกรรมมีการค้างโดยที่ประชุมแม้ก็จริงถึงกระนั้นก็ควรจัดทํากรรมได้เพราะว่าพิกษุทั้งหลายยังไม่ตระับฉันทะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพร้อมอีกเมื่อไหร่คือพระราชาไปแล้วหรือว่าฝนหยุดนะว่ามาทําสังฆกรรมต่อ ที่ตุที่ฝากคือให้ฉันทะมาก็เป็นอันใช้ได้และชื่อว่าฉันทะนั้นมาแล้วเหมือนกันตกกลางคืนผู้พิสษุ์ประชุมกันอีกได้ตั้งใจว่าพวกเราจะทํากรรมมีอุโบสถเป็นต้นจึงเชืเชิญชวนที่ตุรูปหนึ่งได้ตั้งใจว่าจากฟังธรรมจนกว่าที่ตุจะมาประชุมกันทั้งหมดคือรอกันเพราะว่าฝนตกพระราชาไปช้ชาๆก็เลยยืดเยื้อก็รอกันก็เลยนิมนต์พระพิสูจ ร, รูปหนึ่งแสดงธรรม ตอบพิสุที่ทยอยกันมาเมื่อพิสุน์นั้นกำลังแสดงธทรมรรถาอยู่นั่นแหละอารุณขึ้นเสียถ้าพวกพิกุน์นั่งประชุมกันด้วยตั้งใจว่าพวกเราจัดทำจากตุตดสีอุโบสถคือวันอุโบสถสิบสี่ข้าควรทำให้เป็นปันนัสสีอุโบสถก็ได้ก็ลงโบสดนับเป็นวันที่สิบห้าไปเลยถ้านั่งประชุมกันเพื่อทาปันนัสสีอุโบสถ จะทำอุโบสถในวันแรมหนึ่งค่ำซึ่งไม่ใช่วันอุโบสถไม่ควรแต่จะทำสังกิจิต่างอื่นควรอยู่นี่ชื่อว่าค้างโดยราตรีก็คือตั้งใจจะทำสังฆกรรมกันแล้วก็ถึงรุ่งอรุณไปแล้วนี่เรียกว่าค้างโนราตรีพวกพิจูนั่งประชุมกันอีกด้วยตั้งใจว่าจะทำสังฆกรรมมีอัพานเป็นต้นฟางอย่างนั่นแลในพิจุเหล่านั้นพิจูรูปหนึ่งเป็นนักโหราชา กล่าวอย่างนี้ว่าวันนี้เรื่อร้ายคือเรื่อารุณพวกท่านจงยางทำกรรมนี้พิจิตรพวกนั้นสละฉันทะตามคําของพิจิรนั้นยังนั่งประชุมกันอยู่ในที่นั้นนั่นแหละทีนั้นพิจิรรูปอื่นมาพูดขึ้นว่านักขัดตังปติมาเนนตังอัธโธบาลังอุปัจจคาประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ที่มัวถือเรื่ถือยามอยู่แล้วกล่าวว่า เริ่ยามจะมีประโยชน์อะไรท่านจงทาสังกกรรมกันเถิดนี้ชื่อว่าค้างโดยฉันทะและค้างโดยอัธยาศัยในการค้างนั่นจะไม่นำฉันทะและป ร, ะริสุทธิมาใหม่ทำกรรมย่อมไม่ควรอันนี้เป็นการค้างโดยอัธยาศัยและค้างโดยฉันทะเพราะฉะนั้นต้องนำฉันทะและป ร, ะริสุทธิมาใหม่ ถ้ามีใครที่ฝากฉันท่าและป ร, ะริสุทธิมาเนี่ยให้มาบอกในถาำกลางสองถ้าสละฉันทะแล้วคือไม่คิดจะทําแล้วเพราะว่ามีคนมาพูดบอกว่าวันนี้เลิกไม่ดีก็เลยไม่ทําฉันท่าและป ร, ะริสุทธิเป็นอันยกเลิกไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะทำสังฆกรรมต้องไปนําฉันทะและปา ร, ริสุทธิมาจึงจะควรถ้าไม่นํามานี้ไม่ควรแต่ว่าสองอย่างแรกก็คือครั้งโดยบริษัทเพราะว่าฝนตกก็ดีมาประชุมกัน แล้วก็ทําสังฆกรรมได้ฉันท่านั้นก็เป็นการนํามาแล้วท่าพิจูตที่ฝากฉันทานมาเพราะว่าเขายังไม่ได้คิดเลิกในการที่จะทำสังฆกรรมนั้นยังคิดจะทําอยู่นะหรือว่าคร้างโดยราตรีกว่าแล้วแต่ก็ยังคิดจะทําสังฆกรรมกันอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะทําบูตรในวันสิบสี่คาำพอถึงวันรุ่งขึ้นอ้าวมันสว่างแล้วเพราะว่าแสดงธรรมท่านรุ่งรุ่ณเลยก็ทําบูตรในวันสิบห้าค่ำก็ได้ก็ทําวันหนึ่งที่เป็นวันสิบห้าค่ำ อันนี้ฉันทะที่ฝากมาก็เป็นอันนำมาไม่ต้องไปเอาฉันทามาใหม่ปริสุทธิ์ด้วยส่วนสองอย่างหลังท่าสลักฉันทะคิดว่าเลิกกรรมสังกรรมแล้วอันนี้ต้องไปนําฉันทาปริสุทธิ์มาใหม่อย่างนี้ก็เรียกว่าฉันทะค้างให้ฉันทะค้างถ้าทิกสุบางรูปอาพาธไม่สามารถที่จะให้ฉันทะและปริสุธทธิ์ได้ทิกสุ น, นั้นพึงใช้เตียงหรือตั้งหามไปสู่ท่ากลางสงถ้าไม่สามารถจะให้ฉันทะปาก็เจ็บไม่สามารถที่จะ แสดงอาการทางกายได้เกิดกระดูกเป็นหักเคลื่อนไหวไม่ได้เลยพูดก็ไม่ได้ด้วยให้ใช้เตียงหามไปถูท่ากลางสงถ้าพวกพิสุผู้พยาบาลให้คิดอย่างนี้ว่าถ้าพวกเราจะย้ายพิสุอาพาศอาพาศจะ ก, กําเริบหนักหรือมิฉะนั้นจะถึงมรณะภาพดังนี้ไม่พึงย้ายพิสุอ า, าพาศนั้นจากที่สงพึงไปทำอุโบสถในสํานักของพิสุผู้อ า, าพาศนั้นเลยที่กุฏิของพิกสุอ า, าพาศนั้นกว้างขวางพออาจจะเป็นวิหาร แล้วก็อยู่ในสีมาทุกเป็นสีมาใหญ่ดังนก็เข้าไปทําอุโบสถในที่ของพิกตุอาภากันได้เลยถ้าพิกตุอาภาศเช่นนั้นมีมากสงพึงตั้งอยู่ตามลําดับกระทําพิกตุอาภาศทั้งหมดไว้ในหัตถบารก็คือไปพาพระอาภาศเหล่านั้นมาอยู่ในหัตถบารถ้าพิกตุอาภาศมีอยู่ในระยะไกลสงไม่พอวันนั้นไม่ต้องทําอุโบสถอันสง์เป็นวักไม่ควรทําอุโบสถเลย ถายังขืนทำต้องอบัตทุกกดถ้าเกิดไม่สามารถที่จะชำระบริสัทก็คือให้มาอยู่ในหัตถบาลได้เนี่นะพระพิสูุ์ป่วยไข้มีหลายองค์มากเลยให้ฉันท้าก็ไม่ได้ให้ปฏิสุทธิ์ก็ไม่ได้แล้วก็จะทําให้อยู่ในหัตถบาลโดยพระพิสูจน์สองเนี่ยให้ไปนั่งร้อมกันก็ไม่สามารถมาเข้าหัตถบาลได้ก็ไม่ต้องทําอุโบสถได้เหมือนกันไม่เป็นอบัตถ้ากรณีนี้ไม่เป็นอบัติเพราะว่าถ้าทํากรรมเป็นวัต ไม่เอาไปสู่อาพาธที่ให้ฉันทาปริสุทธิ์ไม่ได้เนี่ยมาเข้าหัตถบารเพราะว่าอยู่ในสีมาเดียวกันถ้าไปทํากรรมก็เรียกว่าทํากรรมเป็นวัดก็ต้องอาสัตวทุกข์กดหากว่าในวัดที่อยู่แห่งเดียวกันเมื่อพิกูจนอยู่ด้วยกันสี่รูปอีกสามรูปนําฉันทะและปาริสุทธิ์ของรูปหนึ่งมาแล้วทําปริสุทธิ์อุโบโสถนนี่ก็ไม่ถูกต้องถ้าอยู่สี่รูปต้องตรวจปริโมกจะนําฉันทาปริสุทธิ์มาไม่ได้ แต่ว่าอันนี้สามรูปนำฉันทะปริสุทธิของรูปหนึ่งมาแล้วว่าทําปราิสุทธิอุโบสถนี้ก็ไม่ได้หรือเมื่ออยู่ด้วยกันสามรูปอีกสองรูปนำฉันทะและปริสุทธิของรูปหนึ่งมาแล้วตรวจตาติโมกขโบสถกรรมย่อมเป็นวักโดยอธรรมเป็นวรกด้วยเพราะว่ามีพิสูจอยู่ในปีมานิกันแล้วก็ไม่ยอมมาเข้าหัตตาบานี่เรียกว่าเป็นวักแล้วก็อยู่สี่รูปต้องสวจปาติโมกแป่นี้แสดงปราริสุทธิ หรือว่าอยู่สามรูปก็จะต้องแสดงปาริสุทธิ์แต่ว่าดันไปตรวจปาฏิโมกเพราะฉะนั้นอย่างนี้เรียกว่าทํากรรมโดยอะธรรมไม่เป็นธรรมแต่ถ้าทั้งสี่รูปประชุมกันทํา ป, ป, ปาริสุทธิ์อุโบสถสามรูปหรือสองรูปประชุมการตรวจปาฏิโมกอุโบสถกรรมนั้นชื่อว่าพร้อมเพียงกันโดยอธรรมพร้อมเพียงกันโดยอะธรรม เพราะว่าที่สุดมีกี่รูปก็มาลงประชุมกันหมดแต่ว่าสี่รูปต้องตรวจปาติโมกอันนี้เป็นแสดงปาลิสุทธิสามรูปหรือว่าสองรูปต้องแสดงปาริสุทธิแต่ไปตรวจปาติโมกอันนี้เรียกว่าพร้อมเพียงกันเพราะว่ามาลงกันทุกรูปแต่ว่าเป็นอาธรรมรอดทากรรมไม่ถูกส่วนไม่ถูกต้องถ้าอยู่ด้วยกันสี่รูปสามรูปนําปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาแล้วตรวจปาติโมก หรืออยู่ด้วยกันสามรูปสองรูปนำปาริสุทธิของรูปหนึ่งมาแล้วทําปาริสุทธิอุโบสถอุโบสถกรรมนั้นชื่อว่าเป็นวัดโดยธรรมเป็นวัดโดยธรรมเพราะว่าอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่รูปสี่รูปเนี่ยต้องตริดปฏิโมกถูกแล้วแต่ว่าไม่ยอมมาร่วมลงทั้งสี่รูปไปนำปาลิสุทธิหรือว่าฉันทะให้ฉันทะปาริสุทธิมาจริงๆแล้วเนี่ย ถ้นทาปริสุทธิสําหรับเวลาที่ทําสังฆกรรมกันแล้วก็เกินสี่รูปขึ้นไปแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าสี่รูปพอดีนี่ก็ควรจะมาลงสังฆกรรมเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันสี่รูปตรวจปาลิโมก็เป็นธรรมแต่ว่าไม่ยอมมาร่วมทํากรรมด้วยกันก็นําฉันทามาอย่างนี้เรียกว่าเป็นวัดหรือว่าอยู่ด้วยกันสามรูปสองรูปก็นําปริสุทธิมารูปหนึ่งมาแล้วก็ทําปริสุทธิอุโบสถก็ถูกต้องอ่ะอยู่สามรูปสองรูปนี้ก็ต้อง ทำปาริสุทธิ์ทตั้งสารูปนะแต่ว่าอันนี้ไม่ยอมมาร่วมอีกรูปหนึ่งก็ให้นําปาริสุทธิ์มาเท่านั้นให้นําปาริสุทธิ์มาแต่ว่าอันนี้ไม่ได้นําำชนท่ามานะถ้านําำชนท่ามาด้วยนี่ก็ยังเป็นไปได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ควรถ้าเกิดอยู่สี่รูปก็ต้องมาร่วมาทํำยังไงก็ได้ให้มาร่วมลงอุโบสถด้วยกันจะได้พร้อมเพรียง แต่ถ้าพิสุสี่รูปอยู่ในวัดที่อยู่เดียวกันประชุมกันทั้งหมดสวดปาฏิโมกษ์สามรูปทำปาลิสุทธิอุโบสถสองรูปทำปาลิอุโบสถซึ่งกันและกันสองรูปก็ทำปาลิสุทธิอุโบสถซึ่งกันและกันอุโบสถกรรมนี้ชื่อว่าพร้อมเพียงกันโดยธรรมส่วนในปรวรณากรรมมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ถ้าว่าเมื่อพิสุห้ารูปอยู่ในวัดเดียวกัน สี่รูปนำปวารณาของพิสุรูปหนึ่งมาแล้วตั้งคณะยัตติปวารณาเมื่อสี่รูปหรือสามรูปอยู่ในวัดเดียวกันสามรูปหรือสองรูปนำปวารณาของรูปหนึ่งมาตั้งสังฆายัตติแล้วปวารณานี้จัดว่าปวารณากรรมที่เป็นวรดโดยอธรรมทั้งหมดเลยก็คือทำกรรมก็ไม่ถูกส่วนและพิสุอยู่ร่วมกันในวัดนั้นห้ารูป หรือว่าอยู่ใ้วยกันสี่รูปก็ไม่ยอมมาร่วมเข้าหัตถบานให้นำภปวณามาไม่ยอมมาร่วมอันนี้เรียกว่าเป็นวักด้วยเพราะว่าไม่มาร่วมในหัตถบาร่วมกันในสีมาแล้วก็ทำกรรมให้ถูกส่วนด้วยเพราะว่าอยู่ห้ารูปนั้นอันนั้นจะต้องตั้งสังขยติถ้าสี่รูปสามรูปก็ต้องตั้งคณะยติแต่ว่าอยู่ห้ารูปแล้วตั้งคณะยติอยู่สี่รูปสามรูปไปทําสังขยติอันนี้ก็ไม่ถูกส่วนเ ร, รียกว่าเป็นวักโดยอธรรมทั้งหมด ก็ทาบว่าพิสุห้ารูปประชุมพร้อมกันแม้ทั้งหมดตั้งคณะยัติปรวรนาเมื่ออยู่ด้วยกันสี่รูปสามรูปหรือสองรูปประชุมกันตั้งสังคยติปรวรนาอันนี้จัดว่าปรวรนากรรมที่พร้อมเพียงกันโดยอธรรมก็คืออยู่กี่รูปก็มาร่วมประชุมกันหมดเลยแต่ว่าปกติแล้วห้ารูปต้องทาสังคยติปรวรนาแต่นี้ไปทาคณะยติปรวรนา ถ้าอยู่สี่รูปสามรูปสองรูปต้องตั้งคณะยติต้องตั้งคณะยะ ต, ต, ต, ะยะติถ้าสองรูปก็ไม่ต้องตั้งเลยปรนากันเลยแต่ว่าอันนี้ไปตั้งสังคยติเพราะนั่นก็ผิดธรรมก็เลยเป็นพร้อมเพรียงกันโดยอธรรมถ้าว่าเมื่ออยู่ด้วยกันห้ารูปสี่รูปนำปรนนาของรูปหนึ่งมาแล้วก็ตั้งสังคยติแล้วปรนนามื่ออยู่ด้วยกันสี่รูปหรือสามรูป สรูปหรือสองรูปนำปรวรณ า, าของรูปหนึ่งมาแล้วก็ตั้งคณะยติแล้วปรวรณานี้จัดว่าเป็นปรวรณ า, ากรรมที่เป็นวัดโดยธรรมทั้งหมดอยู่ด้ยวยการห้ารูปต้องตั้งสังขยติเขาก็ตั้งสังขยติเหมือนกันแต่ว่าอีกรูปหนึ่งไม่อยอมมาร่วมด้วยนำปรวรณ า, ามาเท่านั้นอันนี้ก็เป็นปรณ า, ากรรมที่เป็นวัดแต่ว่าเป็นธรรมอยู่สี่รูปสามรูปก็ต้อง ทำคณะยัติปรณาแต่ว่าไม่ยอมมาร่วมทั้งหมดก็ให้ปรณามาไม่มาร่วมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นวักโดยธรรมแต่ถ้าว่าพิตรห้ารูปประชุมพร้อมกันแม้ทั้งหมดตั้งสังฆยัติแล้วปรณาสี่รูปหรือสามรูปประชุมพร้อมกันตั้งคณะยัติปรณาสองรูปก็ปรณาซึ่งกันและกันอยู่รูปเดียวก็ทำอธิษฐานปรณา นี้จัดว่าปรวรณากรรมพร้อมเทียงกันโดยทําทั้งหมดในเรื่องอธิษฐานปรวรณา น, านี้มีเนื้อความดังต่อไปนี้ถ้าเป็นวันสิบสี่ข้ามพึงอธิษฐานว่าอัจชเมปรวรณาจากตุลาศีถ้าเป็นวันสิบห้าข้ามพึงอธิษฐานอย่างนี้ว่าอัจชเมปรวรณาปัณรศีก็เมื่อจะให้ปรณ า, าพึงให้รู้เนื้อความนี้ว่าปวารณังดำมิ หมายถึงว่าเวลาที่อยู่กันหลารูปนี่นะแต่ว่าไปร่วมปราณาไม่ได้เพราะาตัวเองป่วยหรือว่ามีกิจสําคัญอย่างรีบด่วนเลยก็ต้องให้ปรารณาเป็นการทําปราณนาของตัวเองเพราะว่าไม่ทําปราณาในวันปราณานี้ก็ต้องอาบัตทุกฏเวลาที่จะให้ปราณานี้ก็ให้อย่างนี้ว่าปวารณังดํำมิปวารณังเมหรมะมมัถฐานะปวารเรหิแปลว่าข้าพเจ้าให้ปรนนา ท่านจงนำปารณาของข้าพเจ้าไปท่านจงปาวณาเพื่อประโยชน์แก่ข้าพเจ้าดำนี้ด้วยกายก็ได้ด้วยวาจาก็ได้ด้วยกายและด้วยวาจาก็ได้เมื่อภารนาอันเิกตุให้แล้วอย่างนี้เิกษตุผู้นำปารณาไปพึงเข้าไปหาสงปภารณาอย่างนี้ว่าติโตพันเตทิคสังขังปวเรติดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวา วัดันโตตังผันเตสังโฆอนุกรรมปังอุปาดายะปัสสันตปฏิกริสติดุติยมปีผันเตติตโตภิกขุสังฆประวาเบติดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวัดตุ t งผันเตสังโฆอนุกรรมปังอุป a ดายะปัสสตปฏิกริสติตติยมปี พันเตเ ต, ติโสภิคุสังขังปวารติดิเทนวาตุเตนวาปริสังกายวาวะดาตุตังพันเตสังโฆอนุกรรมปังอุปากายาปัสันโตปฏิกริสติก็แปลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญติตะภิกตุปรณาต่อสง ได้เห็นก็ดีด้วยได้ยินก็ดีด้วยกเกียดก็ดีขอพระสงค์ผู้เจริญอาศัยความอนุเคราะห์ว่ากล่าวติเตียนพิสูนนั้นก็คือติดสัพิสูจน์นั้นเมื่อพิสูุนั้นเห็นอยู่จากกระทั่มคืนแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามถ้าเป็นพิสูุผู้แก่กว่าพึงกล่าวว่าอายะสมาพันเตติโต ก็คือทัศติโทนั้นแก่ปากผู้ที่กล่าวเนี่ยนะเรียกว่าอายะสมาถ้าอ่อนปากผู้ที่กล่าวผู้ที่นำปรนนามาถ้าอ่อนปากก็เรียกว่าอาวุโสถ้าแก่ปากก็เรียกว่าพันเตจิงอยู่การปรณนาที่พิกจุทําเพื่อประโยชน์แก่พิจูนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลก็พิกจุผู้ให้ปรณนาพึงให้ฉันทะด้วยการให้ฉันทะพึงทราบตามที่กล่าวไว้แล้วในหนหลังนั่นแหล ก็คือการให้ฉันทานี้ก็เพื่อประโยชน์การทําสังฆกรรมอย่างอื่นเพราะว่าถ้าไม่ให้ฉันทะแล้วเดี๋ยวสงฆ์จะไปทําสังฆกรรมอย่างอื่นไม่สามารถที่จะทําได้เพราะว่าที่สุอีกรูปหนึ่งไม่ได้มาทําสังฆกรรมด้วยแล้วไม่ได้มอบฉันทามาให้ด้วยเพราะฉะนั้นจะต้องให้ฉันทะฉันทานั้นก็ให้อย่างนี้ว่าฉันดังดํานีิฉันดังเมหระฉันดังเมอาโรเจหิตข้าพเจ้าให้ฉันทาท่านจงนําฉันทาของครับเจ้าไป ท่านจงบอกฉันทะของข้าพเจ้าอันนี้ก็เป็นงานสําเร็จนะสงฆ์ก็ไปทำสังฆกรรมอย่างอื่นได้แม้ในการปวรณานี้การให้ฉันทะย่อมเป็นประโยชน์แก่กรรมที่เหลือเพราะฉะนั้นท่าทิฏฐุจะให้ปรนนาจึงควรให้ฉันทะด้วยเมื่อปรนนาอันทิฏฐินั้นนํามาแล้วโดยในดังกล่าวแล้วพิสูจนนั้นและสงฆ์เป็นอันปรนนาแล้วโดยแท้เมื่อให้เฉพาะปรนนาไม่ให้ฉันทะเลย เมื่อพิสูุบอกปรนน่าของพิกูจนนั้นและสงก็ปรณนาแล้วที่สูจนั้นและสงทั้งปวงเป็นอันปรนน่าด้วยดีแล้วแต่กรรมอื่นย่อมกรรเริบถ้าไปทำกรรมอย่างอื่นถ้าเกิดพระที่ป่วยนั้นไม่ได้มาเข้าอัฏบาลนั้นให้แต่เฉพาะประนน่าอย่างเดียวไม่ให้ฉันทะเนี่ยก็เป็นอนันทำปรนน่าทั้งสงทั้งพิกูจนนั้นแต่ว่าถ้าไปทำกรรมอย่างอื่นนั้นไม่ได้กรรเริบถ้าให้ฉันทะเท่านั้นไม่ให้ปรนรณา ปารณาของสงและกรรมที่เหลือย่อมไม่กําเริบแต่ทิกฐานั้นยังไม่ได้ปารณาเพราะตัวเองไม่ได้ให้ปารณามาแต่ว่าตั้งให้ฉันทะไปแล้วสงก็ทําปารณาสําเร็จแล้วก็ทํากรรมอย่างอื่นสําเร็จ ด, ด้วยแต่ว่าตนเองไม่ได้ปารณาเพราะฉะนั้นมีอาปาก้อนในวันปรารณาแม้ทิกฐุที่อธิษฐานปรณ า, านอกสีมาเดินทางมาแล้วปึงให้ฉันทะเพราะฉะนั้นปารณาของสงย่อมไม่กําเริบก็คือ อยู่จำพรรษาที่อื่นแล้วก็ปรณาเรียบร้อยมาแล้วแล้วก็ออกเดินทางเลยทำจริงแล้วยังจะต้องอยู่อีกสักวันหนึ่งวันรุ่งขึ้นค่อยไปเพราะว่าไปแล้วคนอื่นก็ ป, ร ณ, กปรณากันก็จะต้องไปร่วมสังฆกรรมเมือเขาแต่ถ้าเกิดไม่ไปเข้าหัตถาก็ต้องให้ฉันทะให้ฉันทะก็ทําให้กรรมของส่งนั้นไม่กําเริบต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพิกษุที่จำพรรษาในวัตถุปนยิกาต้นห้ารูป อห้ารูปประจรมนสาในวันวัตถุปัยิการหลังคือเข้าบรมนสาต้นกับเข้าบรนสาหลังกานก็จะต้องมีการทําสังฆกรรมที่แตกต่างการซึ่งเอาไว้ต่อวันพรุ่งนี้กันแล้วกันวันนี้หมดเวลาก็ขออนุโมทนาสาธุแก่ผู้ที่ได้ยินได้ฟังไม่ว่าจะเป็นกรุศลหรือว่าบรณชิตขอให้ท่านเอื้อเฟื้อต่อพระวินยัยน้อมใจเป็นในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะว่าวิาวนัยก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งการที่เอื้อเฟื้อต่อพระวินัย ก็จะเป็นปัจจัยแการนี้ทําให้ศรัทธาเจริญยิ่งขึ้นทําให้เป็นผู้ที่มีศีลอันดีเมื่อศีลดีแล้วก็จะเป็นปัจจัยการนี้จะทำให้ไม่เดือดร้อนไม่วิปกติสานก็คือมีอวิปปะติสารจะเป็นปัจจัยแก่ปราโมทยิ ต, ติแล้วก็จะทําให้มีปัญสธิมีจิตอันสงบเป็นสมาธิก็น้อมใจไปในการที่จะรู้เห็นตามความจริงได้เพราะฉะนั้นศีลก็เป็นฐานเป็นเหมือนกับแผ่นดินที่จะเป็นปัจจัยของการที่จะ รงรากทำให้ศาสนาตั้งมั่นแล้วก็จเจริญงอกงามต่อไปทั้งภายในจิตใจของตอนเองและก็แก่ส่วนรวมคือพระศาสนาด้วยก็ขออนุโมทนาสาธุการสาธุสาธุสาธุ